จนจนรักหน้ามนใจจริงโฮแม่ยอดยิงอย่านินโดดา อย่างไรพี่จะได้เกี๊ยวดองเพราะพี่ไม่มีเม็ดทองจะให้น้องสมนายามเราจนท้องดินร่นส่อหาแล้วสะสมเงินตราราะวันวิวาสนชื่นมารักคนจนจนหลีกไม่พ้นคนนินทา เจ้านอนห้องเอพี่นอนแผ่ทั้งคืนจะเป็นไรไปเมื่อใจเราปลมปลืนหารักแท้ไม่คืนน้องไม่เป็นอื่นรอบนาจะรักเธอคนเดียวไม่แลเลี้ยวยิงอื่นได้รักนานานานไปกลัวพี่ชายจะเบื่อราอย่าวังไปเลย โอจุมพิตสักคราก่อนวันวิวา เธอคนเดียวไม่แลเลี้ยวยิ่งตื่นได้เลียรักนานนานไปกลัวพี่ชายจะเบือ่อลาอย่าวันไปเลยน้องเอ๋ยมองตาอย่าทำชู้ชู้น้องรู้เด็ดาขอจมพิษสักครา ก, ก่อนวันวิวาเถิด